พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมหาธรรมมาสมาทานสูตรการสมาทานธรรมหรือการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้กับเหล่าภิกษุว่า ภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเสื่อมไปตรัสถามเหล่าภิกษุว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เหล่าภิกษุกราบทูลขอให้ทรงอธิบายจึงตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ ไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้จักธรรมะที่กวรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพ ธรรมะที่ปวนเศษในที่นี้หมายถึงธรรมะที่ควนให้เกิดขึ้นในสันดานของตนได้แก่การครบสัตว์บุรุษการฟังสัตยธรรมและการพิจารณาโดยแยบขายไม่รู้จักธรรมะที่ควนครบไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควนครบธรรมะที่ควนครบในที่นี้หมายถึงธรรมะที่บำเพ็ญมีทานเป็นต้น เมื่อไม่รู้จักก็เสพคือการประพฤติการเจริญให้เกิดขึ้นเมื่อไม่รู้จักก็เสพธรรมะที่ไม่กวรเสพไม่เสพธรรมะที่ควนเสพคบธรรมะที่ไม่ควนคบไม่คบธรรมะที่กวนคบเมื่อทำดังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ ก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไป ร, ระะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายสวนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมะของพระอริยได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษ ได้รับคำแนะนาดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษรู้จักธรรมะที่กวรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่กวรเสพรู้จักธรรมะที่กวรคบรู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักแล้วก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่กวนเสพเสพธรรมะที่กวนเสพไม่คบธรรมะที่ไม่กวรคบคบธรรมะที่กวรคบเมื่อทาดังนั้น ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็จเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยส า, าวกรู้ถูกต้องภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะสี่ประการนี้การสมาทานธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1- การสมทานธรรมะที่มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากในอนาคต 2- การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกเป็นวิบากในอนาคต 3- การสมทานธรรมะที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและสการสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตพิกษุทั้งหลายบรรดาการสมทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตและที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตต่างตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนั้น จึงเสพการสมทานธรรมะนั้นไม่ละเว้นการสมทานธรรมะนั้นดังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็จเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตต่างตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนั้นจึงไม่เสรการสมาทานธรรมะนั้นละเว้นการสมาทานธรรมะนั้นดังนั้น ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็จเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคล น, นั้นรู้ไม่ถูกต้องอิกสุทั้งหลายบรรดาการสมทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จากการสมทานธรรมะที่มีทุกในปัจจุบัน และมีทุกเป็นวิบากในอนาคตและที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกเป็นวิบากในอนาคตบุคคลผู้นั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงดังนั้นจึงไม่เสพการสมทานธรรมนั้นละเว้นการสมทานธรรมะนั้นดังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไป ธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคล น, นั้นรู้ถูกต้องบุคคลผู้รู้จักการสมทนาธรรมะที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต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 รู้ถูกต้องการสมทานธรรมะที่มีทุกขในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกบ้างมีโทมนัสคือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์คนลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ พูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นคนเพ่งแรงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยเขาจึงส่วยทุกโทมนัตคือทุกกายทุกใจและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลาย การสมทานธรรมะนี้เรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากในอนาคตการสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสคือความสุขใจบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัต ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเป็นคนเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นผิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีความสุขดินดีพอใจในสิ่งที่ทำและการเป็นคนแบบนั้นแต่หลังจากตายแล้ว เขายอมไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาศนารกภิกษุทั้งหลายการสมทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างแต่เป็นคนเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นถูกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย เขาจิงสวยทุกโทมนัทมีความทุกข์กายทุกใจแต่หลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะนี้เรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีสมนัดบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่มีความเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นถูก และเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีความสุขกายสุขใจและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมทานธรรมสี่ประการนี้แหละ อุปมาของการสมทานธรรมะสี่ประการภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตยังไม่อยากตายรกสุเกลียดพวกมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจ ทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จัถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายอุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมนั้นดื่มมิได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วพึงถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายแม้ฉันใดเรากล่าวว่า การสมทานธรรมะนี้ที่มีทุกขในปัจจุบันและมีทุกขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวานหนึ่งภาชนะหน้าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นแล้วรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตยังไม่อยากตายรักทุกเกลียดสุขมาถึงพวกชาวบ้านก็บอกเาว่าท่านผู้เจริญ น้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นจะทําให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จัดถึงตายหรือจักได้รับทุกปางตายบุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นแล้วดื่มมีได้วาง น้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วพึงถึงตายหรือได้รับทุกปางตายแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้น ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าที่ผสมด้วยยาต่างๆในที่นี้คือยาที่ดองด้วยน้ำปัสสาวะนะครับบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำมูดเน่าผสมด้วยยาต่างๆนี้ถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรส ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จกมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มมิได้วางน้ำมูดเน่านั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต มีอุ ป, ปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมส้มน้ำพึ่งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำส้มน้ำพึ่งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิด ยานั้นจะทําให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นแล้วรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วจกมีสุขอุรุั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มมิได้วางยานั้นก็ทําให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นแล้วรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะนี้ ที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในสสาการซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤ ด, ดูฝนอากาศโรปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเ จ, จิดจ้าแม้ฉันใด การสมทานธรรมะนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติดเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้น มีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละ